บินกระได้ดอกซ้ําดิ่งเนียวขาสั่นเลนบ่ทันนะฝาเอ้ยฝาห้องจันเรือแห้งมันสิมันพัวพัวบาคนเอาตัว่าผ้าใตนผ้าทนดินเดือเป็นน้ำสิ้นเป็นนําเสิ้นเป็นนํ้ำสิ้นเป็นนําสาลขาดบ่ได้อยู่รวม ยังไดเ้ากับปากตอมนี่ละน้อเิาญาบอพร้อมลูกไปปล่อยก็เลยอยนแต่ห้อยก็ดีใจบัดั สันพีมานบรเอ so ้ยกันพีบอดดายนองนองกษิตเลาล่าตอร์กันวสีพีกับาฟังข่าวเบอรงือ่แย่งอูเดอพีมานบอ้าวกันนิกาเอ้ยเจ้าสีแท่งพ่อข่าเจ้าของไตมั่นบแมเนพีขอเบายางเป็นเปล่นถ้าหากพีบอดดานองเป็นเนียซอนพีกับบอย่องคือกันะกันนิกาเอ้ยเดีวพีมานโบสผ้ากันิกาเหตุจะไหนาสนาพีมานโบร์จังสีกันิกาเอ้ยไอว่าแทงผ่าแทงแพศไปอยู่เฮืร์น้าไอรด อันเทาตาบอดยูหั่นยูสั้นแล้วบเห็นอยางน้ำเ้าดอกเขาเสเห็นอยางกระดาขนานงเอาจังสั้นลพีมเอาจังสั้นแล้กันนิกาเอ้ยบ่ยันไทยบันไทยเมืองเป็นบาบ่อเมนเขาสีสากระางหัวเขาละนอดไทยบั่นไทยเมืองเข้าอยู่น้ากันไปหันลากานิกาเมนพอเมนเมเห็นพร้อมย่อมตามกระต่ำซางเข้าก็อยู่น้ากันไปโหลดอีกพดนบนั่นแล้วก็ตายดอกเถาอยู่ั่นรับสันพีว่าจังสันนองกรบวขึ้นขัดจะความดอกสนาพีจังสันพีกับเก็บของซอยนองในเด้อพี หลังจากนายมานพได้ตัวลงกับหญิงสาวกันเนกาแล้วเขาก็ได้นำหญิงสาวกันเนกามาไว้ที่บ้านของตนโดยไม่หวั่นกับคำนินทาใดๆก็มีน ก, กาละขังนานสาปน้าไปว่าสาวกันเนกาหญิงมานด้วยสํานานที่ไม่เคยกลัวใครเม้จะได้สามีแล้วก็ไม่แคี้วที่จะโกงคอยยืดหยง่สามีหาวิธีทำลายญาต อยู่ต่อมาเมื่อนึ่งในไงเอ้ยขณะที่พีมานโนไปให้ไปหน้าเจ้าแม่คอยสร้างแมงยาไหลแต่ละหมือเต่ละเวินป๋อเหตุอย่างดีนั่งเขียวหมากตอดหันตอดนีเบาพื้นลูกไผ่นะ่ะคอยละสร้างให้พอได้ดอกไงขันจา้าสี่เปไหใบเลี้ยวคอยสีหานแนวกันเกี่ยงขั น, นพีมานโนเป้านีกันนิกกาสีทําทาใหญ่เข่าใหญ่คลองใบพีมานโนแล้วมีสีใดได้ยานนะ ก็นิการกศีวาหญ้าปินเพียหญ้าป็่นพุทธามเคือเปลียนอันผูดได้นะ ห, กกหลังจากนางถากพีมาโหนมาก่อนหลังจากนายมาโนบได้กลับมาจากการทำไรทำนาแลว้วเมื่อมาถึงบ้านของตนก็เกิดโผงผูใจเมื่อเห็นข้าวของกระจัดกระจายอยู่เต็มบ้านจึงพูดผูมารดาของตนออกไปว่าอ้าวเป็นอีเมีอยู่ใส่เท้องบ้นาน น, นี่เนาะเม่ยกะบ่เห็น เมียกบบสอดโอ้เม็นท่ากันยูยังอยู่นอกกันนิกาเอ้ยกันนิกาจ้าเป็นจ้าหวานจ้านัวทักนอกอันเป็นม้ม า, นาตีพีมาน อ, อันถายไปทามเจ้าเนี่ยถอกั น, นิกาเอ้ยทําเม่นอย่างละพีอันเม่นเจ้ายูื่นอยูสั้นจังไดคือปล่อยให้เขาสร้างหน้ามากกว่าใยาย่ใย่อยู่แถลนางเอ้ยเม่นโบกเกต์โบเมียงตีล้างคือจังซีดอกพีมา้าโนเอ้ยกระฐานเบื้งเมญาพุ่นเพื่อนเป็นอย่างถาม่าจังได้ กันิกานี่นั่งเก็บเล่าควงเพียงสิ่งของเขา่าซาำน้ำมาก่อ น, นเพียงจนกั น, นิกาเก็บร้บัตท่านแลพีมนกันนิกาก็เริ่มไปไปหนีแหละอันว่าเจ้านีคอยด่าพิษพ้นติเมีนกันพีมโนขึ้ น, น, นพิดค้นเห่พาพีมโนเข่าซ้านำนมาก่อนซาไส้ยางใหญ่เจ้านีโบเมนเจ้าเห็ดนติบอกกันนิกาบอกเดี๋ยวไปถามเมญ่าผู้นางเกีบเสียบอยู่ในห้องแม่แม่เอ้ยแม่นยังอารมคั่มอ้าวแม่นเจ้าเห็ดยังอยู่นอแม่นอ่ อันนังเขียวมากยุโรปลามันแช่หมากยุราบัะะติเมร์อั น, น, นอวายทามเจ้าในี่ถอดแมรเอ้ยทามมาเบิงดุล่ามเจ้าสีไตสันบ อ, เ, อ, อเขาซ้ำหน้ามาก่อนเป็นอย่างเพื่อนซาไส้ใหญ่ใหญ่เต็มบัตรเต็มน่านอยู่จังสันเจาแ<จ>หลื้นรรดาเมร์เป็นสะเอาเจ้าบเบิงเนต่ตีจะเป็นพ้นเห็ุเจ้ากระิ่งจักตจกเจ้า้องเองอยู่ตัวไม่เห็ดเองอย่านยุโลกปล่าก็เบิงเน้เป็นอย่างเขาซ้ำหน้ามาก่อนเต็มเนี่ยอยู่ที่นะีเบิงจังไรเมตาบอดเมรกะโวเห็นตัวนอหน่อยนิดเดียวเสียงเอาเจ้าบเบิงแหละจะ ถิยังปยุทธ่ยังามเจ้านี่ไผ่าจังสันแม่บไดเฮ็ดแม่ซีบีเฮ็ดจังไดเจ้าบได้เฮ็ดหมาตัวไหมันสยเฮ็ดอย่างนึ่บ่แม่นี้กันนิกามันเฮ็ด่าหนึ่งกวนเสิมหาเจ้าคนแตมหากันนกาหันหลังก่อนกันนกกับาร์บอดาเฮ็ดเจ้าก็ว่าบอดาเฮ็ดหมาติดเป็นพ้นเฮ็ดปทาเจ้ายว่าจังสันหลูกหล่าแม่บได้เฮ็ดวิีหลูกข้ามบได้เฮ็ดจังไดแม่เลยเขาว่าเป็นนเฮ็ดตเฮ็ดเป็นอย่างยังนีด อันเจ้าสีเสืออ่อมีเอกสารถ อ, อกันใดเมกับบไดิเฮตอะลกลาม่เอ้ยกันไลดลูกเจ้ามีค้าอยังไม่ยินยันบอดิเฮตยืนี้ยนยันยตัวเมนางโจโรอยู่คนเดียวตากรบบอกที่ยันกรบอกดเม่์่ไปจับข อ, ของกันได ล, ลูกลมกามนเฮตบอิเฮตกระซ่างเน้อเม่เดอ้อยู่น้ำกันดีดีในไยทามเจ้าเน่ยยูน้ำกันดีดีเจ้าสีตายสนบเมยไปทามเจเ้าเลยเมย์ก็อยู่ดีๆอยู่ลงหลุกลาต่างใดมาบัดนี้เจ้าก็เมื่านเมยจังซีเมยเอ้ย กันิกาหัดวาเจ้าหันซั่งกันนิกาเห็นซั่งกันนิกาหลายแม่นบอ่อโอ้ยถูกเป็นแมนน่นบ่เคยสซั่งลกูกซั่งหลานนูกลาเมนฮักคืออย่างเนี่ตัวเขาบอกว่าจังซั่นแม่เร<ม> า, าเป็นคนซั่งกันนิกาเจิดถวยเจิดจันใส่กันิกายอย่างมือนั่งเว้นน้่มเก็บน้่มเมียนแล้วหลักกรบอแล้วกันิกาขีเั่าเมียนจนเราไม่เก็ บ, เอบองว่าสั่นก็เป็นเจ้านั่นตัวเป็นคนเจิดใส่เขาหันแมน่มาโน ว่าจ er ังไดอันเจ้าเซือเมียแล้วยิเสือเมกสร้างต่อจังไดเมกบดไอเห็ดอันดาโลกลายพอเสือค้ายังไม่นยุงมาจากบดไอเห็ดจิ ตนฝนจังใดสี่มีคมสีบปานพรอจนเป็ พันตาดีอยู่เือลับง่งยังเชนีเวน ล, ลจะจางเอเมน แหงคิดไปแห่งใจน้อยาลาคาเดินไปเป็นโน้กค อ, อยอิ หลวงชายเขากะซังจำแนงกรนอหของพ่อย เจ็บซเขาซักหน้าหมาก่อนไรเจ็บซะตัวเจ็บซาซเนี่เจ็บซะใช่แม่เจ็บเนื้อลูกล่แม่บเห็นผงลูกครับแม่ตาบอล่ะอ๋อีมโนเอ้ยน่ยไปได้่ยไปว่าแม่แล้วถุนกันีกากระซเจ็บเอียงแบกพีมโนอืมขันแม่แล้วบริเวณกันนี้กากระิีเจ็บห้าหมูห้าม้าช่มีละเอ็บเห็นพบอลเท่าตับอดเลยเยิบอเนี่มนาีย่าเสพี่เธอหลังเด้อยังกระได้จ้าแม่ชิบอหีลูกล่ะ เมืนั้นกันดกาได้พูดกับสามีเขาเรียกเก็บข้าเวเก็บของที่ตนทิ้งกระจัดกระจายเอาไว้อยู่ต่อมานางจึงหาหนทางแก้ยอีกหลายครั้งหลายหนจนสามีตัเสินว่าเน่ยตนเป็นคนทําอยู่ต่อมาบัดึงนางจึงได้ไปนากับสามีโอกาสดีจึงปรึกษากับสามีของตนออกไปว่าพี่มโนบเอ๋ยน่องอยู่อ่างเกียนอุ๊กเนี่ยคือข้างห น, น, น้าอุปนิพพิมโนบน่องคือสร้งงางงานขาดสร้างงานเนี่เถียงพี่มโนปเป็นอย่างนั้ โอ้ยคือจังสี่ดอกีมานงเอ้ยจังเลยเต่ละมือนเต่ละเว้นสังเกตสังกัดเราบอ็นางเชี่ยวมากก็ว่านังซื้อือได้ผีน่งตอดหันตอดหินเบ้าพืนลูกไฟจังสันจังสี่กันนี่กันละสังได้ผีมานงมันกระท่อมาดาแล้วกันนีกัเลยเนี่ยผู้เฒ่าผู้โตคนบ่มีแหวกมีงานเตุทานกเต้ตดนั่นตดนี่เฝ้านั่นเฝ้านี่กระิีซาเพื่อนอ่กัน โอ้ยไปเต้นนาหา่นเพื่อนนั่นเพือนนี่เต้นนาหา่นบ้านใดบ้านนั่นนะพ่อจะเลื่อนขนาดอ้าเจะก็จะเสีดตัวทำเพื่อนบ่ละก็ะไดนะกันิกาโอ้ยกันิกาก็ไปเต้นนาห้านก็เต้นพร้อมวลนน้ำโมน้ำพวกนี่ะที่กันิกาเอ้ยเสอยไอเสียดจังไดถ้าซักหน่ายกระไดบบนั่งนนิกาพดว่ไดดอกพีพุดว่าไดเสียดจังใแบบนังเอ้ยกันนิกาพีมากนบเรือ กันนิกาเฉยมัทมโนบเดือดระบ้างแม่กับกันนิกาพี่มโนบเสียวผูดไดรละว่างแม่กับเจ้าเกเอาผูดได้หรว่าแม่เอาเกษเอาแม่หันตัวขันเอาแม่กันิกาิกษพยุนน้ำพีมโนบกันิกาสิหนีแจ้งไหนแม่เป็นคนออกเกษเอาแม่ไปเอาทั้งสองคนคือเกาขันลาเอาทั้งอแจ้งไหนพีมโนบมันอยู่น้ำกันประเดี๋ยวกันสยอยู่ของสี่เอาแม่กับสีหนีแม่ขันเอาแม่กันสิหนีขันเอากันิกาก็ให้แม่ไปข่าแม่่ มโเนเป็นฐานเมียพีกิบสซมกัิกาเพรห็นยูนั่เดีกันนิกาซีมาบอกไปตทษ ท, ท, ทีบโทเด็ซีขาเมียเจ้าของจังดายาาาาาาข่างสวรรค์ข่างในภาคของกันสร้างแบบพีมโนขันพีมาหา ก, ก, านกาันนิก า, า ก, ก, กันนิกากับซีนี้กันแล้วกัน้าเบิงล อ, อลูกันิกานั่งเอ้ยเห็นจังไดนีขาพอขาดเม่จังใดขาคดมันบ่ก ข, ข่างายเธอข่าปูขาป่าปลาเด็กกันนิกาเด้อเอาจังซีเอาจังไดนอกมีเขียนอยู่เขียนอีนังอีเขียนห้างที่ไตล่างอันไหนเห็นจังไดเออบอกล่า แม่ขุนเกียนนั่งไปพอดกาาโดงก่างต่าเก่าคอดป่าทุกตายลงทึงปีมโนุผู้โดีเมนป่าตาขนเท่าจะซื้อกระดูกรอนป่าเอาลงไปยังถมันครับมีแน่น้องเพ่มฉีดเจากระดาแขการไา่ขอกันยิกัดซุดยอดกี่ปีกระุดยอดมีปะขันละเกี่ยวแบบกันยิก่าบาโบขันดีมโนุพคกัน้ิก่ามีกับจัดกันอีเท่ากันซะทางฝ่ายอื่นจังสีบ่าวกับวากันไม่เนาะนั้งเนาะเหลืองนี ทีว่าจังสันนอกกสิทธาเบิ้งรทีเดนอนองโ อ, อทนมาโด่อองโ อ, อกทุนมาหน้านเหลื่ยบ้อมไออีลีนอกจังสั่งเหตุงพื่อสิจัสันมาเอิน้นจังสิสวนอีเมลแล้วไปเบิ้งดอก ไปยำทียนทั okay. so rivers, ้งบางอื่นม้างไกสันดอยมีอยงนองทั้งบางอื่นม้างไกแมนเจ้าิวะเจ้ไตดีเปยบ้านเดี่ีนองดนเนาะจ้าบานอะีเป็นตาไปยู่ลูกหลาไปยู่ลวัดีไปยูอันเจ้าสิทางเม่ไปเมื่อใดลูกหลาไปว่าเข้าเจ้าบอื่นตัวเมร์ไปเมื่ออื่นเลยตีหลูกข้ามแมนอันิเอาเอียงไปต่อเพิ่นของกล่องปน่ยาบดอกเมเอาเปียงของกอนห บางตนกับบังือบางต้นบาง้าวมนันละเมอ่ะเจียวบองเด้ออย่าเลื่อนจีวบองให้คนนับเมอ่ะคนบางือดอกเจวบองทัเมอ่ะเมือเวมอ่ปเือวยากเนาเียเาก็มีดเม่ะพักตะลเยนอีสิเม่เอาสิ่งเอาใส่เียนแล้วเจ้าคือนั่งทึ้จ้าต่เมอเป็น ไปหอดทติดูครับก็ะหอดทังตัวนอกไปที่เย็นไปการใี้ความรู้จัก น้ยเท่า